พวกที่ออกจากแผ่นดินได้นะออกได้โดยปริญญาสามอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอาริยมรรคนะอรหัมกมรรคจึงจะออกจากดินได้อย่างเด็ดขาดถ้าโดยข่มไม้ก็คืออรูปปฐมก็ออกจากดินได้จริงแต่ถ้าเป็นที่เหลือเนะี่ยอยู่ในโคโจรแห่งแผ่นดินนะทุกคนเนี่ยใครคิดพ้นแผ่นดินบ้างไม่พ้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแผ่นดินเหมือนอะไรดินนะเหมือนอะไรโงูกัดธมุขะ งูปากไม้อะนะดูเพื่มันกัดเอากันนะดินดนเนี่ยนะพื้นพื้นี่มันเลี่ยมเลี่ยเนี่ยนะถ้าล้มลื่นอะไรจะเกิดขึ้นนะมีเจดีย์อยู่ที่หนึ่งเขาขัดหินขัดมันแผดเลยนะเขาเขียนใายว่าอันหนึง่งบอกระวังลื่นสแสดงว่ามีคนลื่นให้เห็นนะเขาจึงเขียนใต้เอาไว้ใช่ไหมมันก็มหาพูตธรูปเหล่านั้นนะพร้อมที่จะอาศัยมหาพูตธรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นอามาพื่งก็ได้อามาพาดก็ได้เป็นอะไรก็ได้หมดอนะมันกัดทั้งหมดอ่นะ ถามว่าคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุมีน้อยหรือมีมากมีมากเขาบอกว่าประเทศเดียวเนี่ยในโลกที่ตายเพราะอุบัติเหตุมากพอๆกับเพราสงครามก็วา่างั้นประเทศไทยเรานี่แหลนะคนตายเพราะอุบัติเหตุพอๆกับสงครามเกิดขึ้นโอ้หนี่ถ้าถ้าตาถ้าถ้าคนไทยเราตายเพราะสงครามเท่ากับอุบัติเหตุเนี่ยสงสัยประเทศไหนที่มาฆ่าคนไทยได้ขนาดนี้จะเป็นศัตรูกันใหญ่โตมากเลยนะแต่อุบัติเหตุก็เงียบเนี่ยนะตายเงียบตายเงียบหมดเลยก็ ทั้มากก็พวกประกันก็พอรู้ว่าส่วนคำหนึ่งนะว่าอุปาธาปวัตะนิมิตะอายุหะนะปฏิสนที่นี่เป็นเป็นภัยที่จริงเขามีคําว่าภัยด้วยอย่างหนึ่งนะมีคําว่าภัยมีคําว่าเป็นวิสัยมานเป็นเด็ดมานเนี่ยนะวิสัยมานโคจรมานเป็นสังฆะ ธ, ธรรมนี่นะเป็นธรรมที่ถูกกัดัยปรุงแต่งขึ้น พะอาทีนว่ายานเนี่ยเป็นยานที่น้อมไปที่จะเห็นโทษของอุปาทานขันห้าธรรมอาทีนเวยานังเนี่ยเป็นภู ม, มิมวจะนะคือสตรีวิพัตนเพราะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าธรรมะเหล่านั้นคือปัญญาในการปรารบโดยความเป็นภัยอนะอาทีนว่ายานนิพถายานมีอัอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะ สรุปว่าพยาตูปถานนิยานอาทีนวายานนิพิทายานคือสิ่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นหาข้อยุติแบบยุติหาระอันเรียเหมือนกันโดยสั์เหมือนกันโดยอัดนะหเหมือนกันโดยอัดก็ไม่ไม่ต่างกันอะไรแม้จะกล่าวเพียงคําเดียวยามเดียวก็เป็นอันกล่าวแล้วทั้งสามยามโดยประเภทแห่งการกําหนดดุดมุนจิตุกรรมมยตายานเป็นต้นอ่ะนะมุนจิตุกรรมมยตา สติสังขาสังขารุปเปกขาญาณก็คือสิญาณเดียวกันนี้ก็เหมือนกันนะว่าพระยตูปฐานนายานอาทีนวายานนิพิธายานก็คือญาณเดียวกันสังขารทั้งหลายอันจำแนกเอาไว้ในภพสามกำเนิดสี่สติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสักกาวาดเก้าย่อมปรากฏโดยความเป็นมหาภัยแก่พระโยคีบุคคลผู้เสษอยู่เจริญอยู่ทาให้มากอยู่ซึ่งพังคานุปัสนา มีความดับไปแห่งสังขารทั้งกวงเป็นอารมณ์กนะ็ทุกอย่างเนี่ยมหาภัยหมดเลยเหมือนอะไรเหมือนอย่างสีหะสำหรับคนกลัวสีหะเนี่ยนะเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวยักษ์รากสดโคดุสุนัขดุช้างและช้างรับมันงูดุฟ้าผ่าป่าชา้าสมรภูมิล้มฐานเพลิงที่คุกกลุ่นเป็นต้นย่อมปรากฏเป็นภัยใหญ่แก่บุรุษผู้กลัวภยัยไข่ชีวิต แครมีชีวิตอยู่เป็นสุขเพราะพัทยตูปัฐานนยามย่อมเกิดขึ้นได้ในฐานะนี้แก่พระโยคีบุคคลผู้เห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายในอดีตก็ดับไปแล้วปัจจุบันก็กําลังดับแม้ในอนาคตก็จะดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเห็นภัยในขสังขารปัจจุบันก็น้อมไปเห็นภัยแม้กระทั่งสังขารที่ผ่านมาในอดีตและสังขารที่จะมีต่อไปในอนาคตก็น่ากลัวพอกันหมดเลย เพราะฉะนั้นน่ากลัวแม้กระทั่งในกางมาพบรูปประพบอารูปประพบเกิดในครันก็น่ากลัวเกิดในไข่ก็น่ากลัวเกิดในเท้าใครก็น่ากลัวเกิดโอปปาติกะก็น่ากลัวนรกเดรฉานเปรตมนุษย์เทวดาก็น่ากลัวนะปฏิสนธิที่มีร่างกายต่างกันปฏิสนธิที่จิตต่างกันปฏิสนธิที่จิตเหมือนกันร่างกายต่างกันร่างกายต่างกันปฏิสนธิที่จิตเหมือนกันทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นก็น่ากลัวหรือแม้กระทั่งสัตวาวาสณภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ก็ทุกอย่างก็ มหาภัยหมดเลยน่ากลัวหมดเนี่ยนะคิดถึงที่ไหนก็ไม่ต่างจากนึกถึงยักษ์เหมนกันคิดถึงที่ไหนก็ถ้าคนกลัวสุนัขดุนะก็มันมีหมาพันธหนึ่งนะของมาเห็นแล้วก็กลัวทุกครั้งเลยที่เห็นมันนะโอ้ทาไมหน้าตามันเหี่ยมขนาดนั้นก็ไม่รู้มันมาที่กุฏินะเคยมีอยู่ครั้งมาที่กุฏิเราเรียบเข้าห้องเลยนะยังกระเสือกันเละน้ําลายมันไหลยืดกลิ่นมันรัศมีแรงเหมือนกันนะเรียกว่าสุนัขพันธอะไรอ่ะพันธที่เข้ามห้ามกันอ่ะนะ สุนัข ก, กระวบพันก็กัดคนคลิกเดียวก็ตายได้อ่ะกลุ่มนั้นเลยอ้น่ากลัวจริงๆบอกว่าเนื้อถึงสุนัขกดกุอันนี้ก็น่ากลัวบางคนเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยก็อุปมานะบางคนนี่จะกลัวไม่ค่อยเหมือนกันหรอกนะก็เลยยกอุปมาม า, มาเยอะๆว่าบางคนกลัวเหมือนกัวเสือโคร่งเสือเหลืองบางคนก็กลัวหมีเนี่ยนะเคยหมีหมีมาก่อนก็จะกลัวหมีเป็นพิเศษอย่างเงี้ยบางคนก็กลัวโคเนี่ยนะถูกโคชนมาหลายครั้งเ้าก็สะลุ้งเหมือนกันเนี่ยนะ ในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณตีตีเจ็ดและสตาวาสเก้าทั่วทุกคนแห่งที่ต้านทานที่ซ่อนเร้นที่ไปที่พึ่งย่อมไม่ปรากฏเลยแก่พระโยคีบุคคลผู้เสพอยู่เจริญอยู่ทำให้มากอยู่ซึ่งพยตูปฐานนยาม น, นั้นเรียกว่าตามเห็นขันในไหนอารมณ์ในไหนก็าตามขันทุกขันอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมันน่ากลัวเท่ากันหมดเลยนะความปรารถนาก็ดีปรารถนาขันหเนี่ยนะ ความถือมั่นคือยึดถือขันห้าพอดีย่อมไม่มีในสังขารทั้งหลายอันมีในภพําเนิดคติเวิญญาณติตินิวาสแม้สักสังขารเดียวที่เราว่าน้อมไปหาสังขาร น, นิมิตคือขันทาริยตนาเนี่ยนะน้อมไปหาขันไหนก็ไม่น่าไม่น่าเพลิงในอารมณ์นั้นเลยแม้แต่อารมณ์เดียวภพทั้งสามปรากฏดุดลุมฐานเพลิงที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวเห็นไหม เกดว่าเนื้อไปที่ไหนก็พอกันหมดเลยนะเหมือนกับลุมถานเพลิงหมดเลยมหาภูตารูปสี่ปรากฏดุจอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงนี่นะปัทวีธาต์เหมือนงูปากไม้อาโปธาต์เหมือนงูปากเน่าเตโชธาต์เหมือนงูปากไฟวาโยธาต์เหมือนงูปากศาสตราปากสาตราไม่ใช่ปากลมหรอกปากไม้ปากเน่าปากไฟเนี่ยนะกับปาก ขาห้าปรากฏดุดเพชฌฆาตที่กำลังเงื้อดาบอยู่คิดนะว่าขันห้าเนี่ยมันฆ่าขันห้านะมันฆ่ากันเองนะรูปฆ่าน้ำน้ำฆ่ารูปรูปฆ่ารูปรูปฆ่าน้ำน้ำฆ่าน้ำน้ำฆ่ารูปอันนมันเพชฌฆาตมันเข็นมันฆ่ากันเองนะทุกคนนะไม่ต้องมีใครฆ่าเดี๋ยวก็ตายพก็ขันห้ามันฆ่ากันเองหมดนะเนะ่ยธาตุดินมันฆ่าธาตุน้ำธาตุน้ำมันฆ่าธาตุไฟธาตุไฟมันฆ่าธาตุลมธาตุลมมันฆ่าธาตุดินเนี่ยนะ มันก็เข็นมันก็ฆ่าประหัตประหารกันเดี๋ยวก็อะไรนะกุศลฆ่ากุศลอกุศลฆ่ากุศลเนี่ยนะแม้กระทั่งในานา ม, มขันอันเดียวมันก็เข็นฆ่ากันเองนะไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่หรอกนี่นะมันก็เข็นฆ่ากันอยู่นั่นแหละก็เลยทุกอย่างเนี่ยคือเพชจะคาดดีๆนี่แหละอายตนะภายในหกปรากฏดูเรือนว่างเปล่านะแย่เข้าไปดวงตาหนะ้าตาก็เหมือนบ้านร้างพี่ก็นาไปในหูหูก็บ้านร้าง จมูกก็ไม่ต่างจากบ้านร้างลิ้นก็เหมือนบ้านร้างร่างกายไล่ไปทุกส่วนนั่นกับผมขนเล็บก้อนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยก็เหมือนกับบ้านร้างใจทุกๆใจความคิดทุก ๆ, ๆ, ค, ว ค, ๆความคิดก็เหมือนกับบ้านร้างคนแล้วมันไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆเนีย่ยนะอายุตระหน่ายนอกหกเหมือนโจรปล้นชาวบ้านเนี่ย น, นะเลืมตาเห็นสีสีสออกมาปล้นอกุศลไปหมดได้ยินเสียงมานสิการเสียงก็กุศลหายไปกกลิ่นก็หายกุศล ห, หมด ลิมรถรู้กระทบสัมผัสนึกคิดเรื่องไหนก็ตามมาโดยมากกุศลขายหมดเลยทุกอารมณ์อายตนาภายนอกเนี่ยปล้นเอากุศลไปหมดเลยโดยทั่วๆไปนะมานาสิการปล้นกุศลใช่ไหมมานสิกาสีเนี่ยอนุปัสนาตามไปเลยใช่ไหมสีโอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหน้าเบื่อหน่ายหน้าคลายกำหนัดหน้าดับต้องการสลักขืนสีอนั้นเลยอย่างนั้นเลยสีเอ้ยเนี่ยนะ อย่าพึ่งไปเลยนะเดี๋ยวคุยกันนาะนๆหน่อ ย, อยงไงนะมั น, นมีแต่ลักษณะเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามนะถ้าเป็นทั่วๆไปแต่ผู้ที่อบมรมนิพพสนามากเนี่ยทั้งสีเสียงกลิ่นรสโพธภิภะธรรมอารมณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านบอกว่าไม่ต่างอะไรจากโจรที่มาปล้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะถูกอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายที่เป็นสังกตธรรมเนี่ยนะเรามันถูกมันปล้นอยู่ตลอดนะแต่เรียกว่าเป็นอันตรายที่กลุ่มอันตรายปกติที่คนไม่ค่อย เห็นโทษวิญญาณติฏิเจ็ดและสัตววาสเก้าถูกไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยลุกเผาโทช่วงไฟสิบเอ็ดกองอ่ะเนีคือราคะโทสะโมหะมันเกิดที่ไหนก็เกิดในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นไฟคือราคะเผาในอารมณ์ที่น่าปรารถนาไฟคือโทสะเผาในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไฟคือโมหะเผาในอารมณ์ที่ไม่พิจารณา แล้วก็การเกิดในทุกภพเนี่ยนะก็เป็นไปถูกไปคือชาติชราพยาธิมรณะแผดเผาอยู่ทุกหนทุกแห่งลักษณะดเดียวกันเนี่ยนะขันธาตอายตนะเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตสังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏแก่ผู้นั้นเป็นเหมือนฝีเนี่ยนะเป็นเหมือนเป็นโรคเป็นลูกศรเป็นไข้เป็นอาพาสจา ก, กอัศทะ ไม่มีรสชาติแปลว่าไม่มีความอร่อยอยู่ในนั้นเลยชับที่มีสารร้ายนะถ้าใครเข้าป่าเนี่ยที่สารร้ายเยอะๆเนี่ยจะนึกตัวไผ่ใครจะมีชีวิตอยู่เป็นสุขเป็นเหมือนถ้าที่มีภูเขาเป็นเหมือนสระน้ําที่มีรากสดสิงอยู่แต่แค่น้ํามีปล่งนี่เราก็ไม่ค่อยอยากลงแล้วนะอย่าว่ารากสดเลยอย่างนั้นเหมือนข่าศึกที่กําลังเงื้อดาบขึ้นเป็นเหมือนภาชนะที่เจือด้วยยาพิษเป็นเหมือนหนทางที่เต็มไปด้วยโจร เป็นเหมือนเรือนที่ไฟติดทั่วแล้วเป็นเหมือนสนามรบที่เหล่าทหารกําลังต่อยุติกันไงนนกำลังหันขีปืนาวุธเข้าหากันอย่างนี้ไงเห็นสนุกเลยไหมแต่ลักษณะเนี้ยนะสังขารทุกชนิดก็พอๆกันในลักษณะนั้นหมดเหมือนอย่างว่าบุรุษนั้นอาสายภายัยมีป่าชัดที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นต้นเหล่านี้แล้วกลัวแล้วตกใจแล้วขนลุกชูชันย่อมเห็นโทษอย่างเดียวโดยรอบด้านฉันใด พระโยคาวจร น, นั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันครั้นเมื่อสังขารทั้งกวงปรากฏแล้วโดยความเป็นภัยด้วยอำนาจทางคานนปัสนาก็อย่อมเห็นแต่โทษอย่างเดียวปราศจากรสหมดความเชื่อมชื่นอยู่รอบด้านอาทีนวานุปัสนาญาณนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีบุคคลผู้เห็นอยู่อย่างนี้ทุกอารมณ์น่ากลัวหมดเลยอ่ะโดยที่สุดไอความคิดอันนั้นก็น่ากลัวถ้าอย่างนี้ก็อยู่กับวัดต่ไม่ได้เลยเนาะ ต้องออกอย่างเดียวแล้วถ้าคิดได้ขนาดนี้นะถามว่าคิดอย่างนี้พอไหมจะนิพพานเลยนะถ้าเจริญในขนาดนี้เพียงพอไหมถ้าจะนิพพานได้ไหมถ้าคิดได้ตามนี้จริงๆอ่ะไหมคิดว่าบรรลุได้ไหมโอไม่บรรลุนี่ก็เกินไปแล้วนะถ้าตามเห็นอย่างนี้วันละยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะไม่เกินเจ็ดวันเชื่อไหมไม่บรรลุก็อยู่ไม่ได้หรอกบรรลุอะไรบรรลุอสังขตภาพเนี่ยเรียกว่าต้องน้อมไปหาอาสังขตภาพอย่างแน่นอนอนะไรประมานึ มันก็เห็นแต่โทษอย่างเดียวเนี่ยนะปราศจากรถหมดความเช่มชื่นอยู่รอบด้านคิดยังไงนึกอาศะธาไม่ออกเลยแบบนั้นเลยเห็นแต่อาร์ทีนวะอย่างเดียวเรียกว่าถ้าหาว่ามนาสิการอารมณ์นั้นโดยอาร์ทีนวะมากนะอาสาธาเนี่ถูกเผาไปเยอะแล้วเนี่ยนะถูกเผาไปเยอะแล้วอั้นอาร์ทีนวะอาร์ทีนวานุปัสสนาย่อมเกิดขึ้นแก่ทโยคีบุคคล น, นั้นผู้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเอวิปัสสนาญาณนี่นะ ถ้าพูดในยุคนี้นี่คนจะชมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครมียานนี้เนะี่ยว่าโดยรวมๆนะเขาว่าคนนี้ผิดปกติไปมั้งก <c oughs> ็คือไม่รู้ใครเพี้ยนกันแน่ในโลกนี้นะก็ยังงงอยู่นะก็บางคนที่เข้าใจแต่ก็นึกว่าคนเจริญอย่างเงี้ยนะเพีย้ยนนะคนที่คนปกติแบบเราๆอ่ะนะเห็นคนที่เป็นอย่างโอ้โหเป็นเอามากเหมือนกันในชะ่ไหมแต่ว่าเชื่อไหมว่านี่คือทางออกจากวะัฏ น, นะในพุทพจน์ที่พองศักดิ์ย่อๆว่า ผู้ที่เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นสัพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายาปสติเนี่ยนะผู้ใดเห็นสังขารทั้งกวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงอาถานิพพินติตุเขสมโควิสุทธิยาเมื่อเขาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจะเบื่อหน่ายในวัตทุกอย่างนี้ความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคอริยมรรคนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน เป็นทางแห่งอสังคตาธรรมใครจะคิดว่าความปลอดภัยที่แท้จริงก็คือการออกจากภัยนะออกจากภัยจึงจะปลอดภัยอย่างแท้จริงไงเพราะฉะนั้นพโยคีบุคคล น, นั้นเห็นสังขารทั้งปวงโดยเป็นโทษอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายกระวนกระวายไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายอันมีประเภทในภพกาเนิดคติวิญญาณทิติและสักาวาททั้งปวง เหมือนอย่างว่าพญาหงทองผู้ยินดีอยู่เชิงเขาจิตกุฎย่อมไม่ยินดีอยู่บ่อน้ําแถบประตูบ้านคนจันทานซึ่งไม่สะอาดย่อมยินดีเฉพาะในสระใหญ่ทั้งเจ็ดเท่านั้นฉันใดก็อย่างนั้นนี่ยนะที่บ้านคนจันทานนี่โยมเมื่อจะเห็นเขาซักผ้าวันก่อนเนี่ยเดินแว้บไปแทงธรณีเดินไปกับหมอสองคนก็เดินไปเดินไปแล้วก็เหละไปดูเขาซักผ้าเขาซักผ้าแล้วก็ย้อมผ้ากันแน่ เพราะว่ามันดําเหมือนกันอะไนน้าเข้านี่โอ้โหดําเคลือเลยนะก็เหมือนน้าเสียบ้านเรานี่แหละคลองแสนแสบยังไงก็อย่างงั้นนะ่ะนะเขาซักผ้าเขานะเราเนื้อซักหรือว่ามันจะย้อมกันแน่ไม่รู้ดําเคลือขนาดนั้นเขาบอกว่าเขามีอยู่วันหนึ่งยอมเข้าไปเที่ยวกันคุณลําภารดีไปเป็นแ่บนนั้นเขาไปเดินเดินกันก็บอกว่าบ้านเขามันก็เล็กๆงั้นไหยเอาของไว้ข้างในแล้วออกมานอนตากยุงอยู่ข้างนอกกันหมดนะไนนั่นแหละชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะ เราก็ยังไม่พ้นนอย่าว่าเราเลยนะพระโพธิสัตว์ยังเคยเป็นอย่างนี้เลยพระโพธิสัตย์เนี่ยในกลับนี้นะในกลับนี้ยังเคยไปอยู่แบบนั้นเลยเช่นตอนชาติที่เป็นมาตางังฆบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยก็เป็นจันทร์ทานนะแล้วก็ชาติอมีหลายชาตินะในกลับเนี่ยที่เป็นจันทามเนะนี่ยมีไม่น้อยคนผู้ที่ยังอยู่ในวัตฏะก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นพวกที่ที่เป็นพญาหงทองอย่างเก่งก็ไม่ยินดีน้ําที่สกรปรกเนี่ยนะ พยาหงคือพโยคีนี้ย่อมไม่ยินดีสังขารอันมีประเภทต่างๆล้วนแล้วด้วยโทษอันตนเห็นแจ่มแจ้งแล้วแต่ย่อมยินดียิ่งในอนุปัสนาเจดเท่านั้นยินดีในปัญญาที่เกิดขึ้นตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะนะยินดีที่จะให้ปัญญาเหล่านี้เกิดยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งอ่านะไม่ยินดีในอารมณ์แต่ยินดีในปัญญาคือคือกุศลคืออนุปัสนาเนี่ยนะมีความสุขกับอนุปัสนา แต่ไม่ได้มีความสุขกับอารมณ์เพราะเห็นอารมณ์เนี่เป็นเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีโทษมีภัยทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยินดีเฉพาะในภาวนายินดีในกุศลที่เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นประกอบด้วยความยินดีในภาวนาเหมือนกับพญาหงษ์ทองฉะนั้นและเหมือนสีหะผู้มิคราต ถูกจับขังไว้ในกรงทองก็ไม่ยินดีย่อมยินดีแต่ในหิมมวันแต่ประเทศอันกว้างใหญ่ถึงสามพันโยชน์ฉันใดสีหะคือพระโยคีบุคคลแม้นี้ย่อมไม่ยินดีแม้ในสุขติพบทั้งสามแต่ย่อมยินดีในอนุปัสนาสามเท่านั้นแม้กระทั่งมนุษย์เทวดาเป็นต้นก็ยังไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายาะฉะนั้นก็ไม่ยินดีแม้กระทั่งในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกัน อันหนึ่งพญาช้างฉับพันเผือกผ่องทั้งตัว น, นะมีที่ตั้งดีเจ็ดสถานมีฤทธ์เหาะไปในเวหาดย่อมไม่ยินดีในใจกลางพระนครย่อมยินดีในสระใหญ่ชื่อว่าฉัตบทันเท่านั้นฉันใดพระโยคีบุคคลเพียงดังช้างตัวประเสริฐนี้ย่อมไม่ยินดีในสังขารธรรมแม้ทั้งกวงย่อมยินดียิ่งในสันติบทคือพระนิพพานเท่านั้นใจเนี่ยน้อมไปหาอาสังขต า, าธาตุอย่างเดียว เพราะฉะนั้นท่านแสดงแล้วโดวยนายเป็นต้นว่าความเกิดเป็นภัยความไม่เกิดปลอดภัยเความเป็นไปเป็นภัยความไม่เป็นไปเป็นภัยนิมิตเป็นภัยความไม่มีนิมิตปลอดภัยเดี๋ยวยานข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะเรียนถึงว่า<ม>เขาจะเริ่มน้อมเทียบเทียงก่อนนะะเริ่มเทียบเทียงว่าสังคตะธาพเลวอย่างไร อ, อสังคตะธาบดีอย่างไรเนี่ยก็มีการน้อมไปเทียบเทียงลักษณะนี้ มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเ น, นี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้มีใจน้อมไปเงื้อมไปโอนไปในสันติบทคืนนิพพานอันนี้คือลักษณะของที่เรียกว่าปฏินิสักานุปัสนาเนี่ยนะเรียกว่าน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะน้อมไปเพื่อวิปัสนาที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมไปเพื่ออาศังขตธาตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนิพพานุปัสนาย่อมเป็นอันเกิดขึ้นแล้วแก่พระโยคีนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยประการเชนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขนาดได้อาทีนาวานุปัสนาขนาดนี้แล้วนะโดยมากแล้วคนเหล่านี้จะไม่ปฏิบัติผิดอีกแล้วเนะในชาตินี้นะจะไม่ปฏิบัติผิดเพราะใจน้อมไปในออกจากสังขตาธาตุภาพทั้งกวงน้อมไปหาอสังขารธาตุอันนี้ถือว่าเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งอัพยาศัยของเขานเห็นโทษของทุกขสัจกับสมุทัยสัจอย่างเต็มเตี่ยมจิตน้อมไปในนิโรศ กำลังอ บ, บรมอริยมรรคอยู่กำลังข บ, บรมมรรคอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เจริญอย่างนี้หวังไม่แน่ว่าจากต้องตรัสรู้อริยสัจเป็นแน่โองดกล่าวว่าผู้ที่เจริญอินทรีย์อย่างนี้เนี่ยน้อมไปสู่นิพพานโดยส่วนเดียวฉันใดเปรียบเหมือนว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลไปทางทิศปราจีนคือทิศ ต, ตะวันออกเนี่ยนะของเราแม่น้ําเจ้าพยาไหลไปทิศไหนอย่ไหลไปสู่ทะเลเง่ายๆเหกัน แม่น้ำคงคาไหลลงไปสู่ทะเลอย่างเดียวฉนยันใดผู้ที่เจริญนิปั ส, สนายอย่างนี้นะใจของเขาน้อมไปสู่อมะต ะ, อะนะจะมีอมะตะเป็นที่สุดฉันนั้นผู้ที่เจริญได้ถึงขนาดหน้าหกสิบนี่นะตั้งแต่ต้นมาถึงหน้าหกสิบนี้ปฏิบัติไม่ผิดอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการกว้างๆถ้าใครอยากจะปฏิบัตินะคำภีร์เหล่านี้เป็นตัวตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยเป็นไปตามนี้ไหมถ้าไม่เป็นไปตามนี้ควรแก้ไขถ้าเป็นไปตามนี้ก็ อนุโมทนาให้ตัวเองได้เลยเจริญมุทิตาให้ตัวเองได้เลยว่าสักวันหนึ่งพ้นทุกแน่เนี่ยนะพ้นจากชาติติทุกเป็นแน่ก็หวังว่าที่เราเรียนศึกษาทั้งหมดนี้ก็จงเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏฏทุ ก, กันทุกคนทุกท่านได้ตรัสรู้อริยสรรัจตามพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะทุกคนทุกท่านเนี่ยนะก็ขออนุโมทนา